แล้วคนอืนก็ขอสมทนานะสมุทนาของทุกทกท่านนะที่ได้ทําบุญใหญ่รู้ อ, อากไหเราได้ทําบุญนตะ่นยังมันติเสียสตังสักบาทถ้อบอกว่าท่านได้ทําบุญการทําบุญคืออะไรก่อนอื่นการทําบุญคือการสละออกใช่ไหมแล้วมันนี่เราได้สละอะไรบ้าง เห็นชัดๆคืออะไรกินข้าวมือเดียวสลับไปกี่มือเออสลับทิ้งออกไปทั้งสองมือเนี่ยเห็นไมเห็นไห ม, หไหมทำได้ยากไหมทาได้ยากไหมจริงๆเสริมมันได้ง่ายๆนะแต่ทําได้ยากมากเลยเป็นการให้ทานแล้วสละออ ก, ออกแต่สองงานที่สองคืออะไรสละความสบายใช่ไหะ เมืคค่อคืนนอนเป็นยังไงบางครั้งเราก็หลับบางครั้งไองบางคนเราจะบางคนหลับไปใช่ไหมบางคนยังไม่หลับใช่ไหมเป็นเพื่อนลากเรือขึ้นบกเจ้ายินไหมลากเรือขึ้นโบอกอะ่ะรู้จักไหมวิธีการลากเรือขึ้นโบอกอะ่ะที่นอนแล้วคนคลอกคลอกไอ้เรารรรรก็อิจฉาเนา เราเคยไปเจอไปเนี่ยพวไปด้วยกันแล้วนอนเนีหลายคนมันนอนไหนคนนี่นอนหลับคนนี่นอนไม่หลับเลยเราก็ต้องลองฟังเ้าลากเรือขึ้นปก <c oughs> เนี่ยี่ยสละความสบายใช่ไหมที่จากบ้านที่เราเคยได้กินเคยได้เล่นเคยได้นอนพักผ่อนสบายเราได้สละออกไปเนี่ยเรียกว่าเราสละราให้บุญนี่ยคือการทําบุญคือการสละออกเห็นไหมอันที่สองอันที่สามได้แล้วอีกสละอะไรอีก สละเวลาใช่ไหมสุขเสลาชีวิตนี่โอ้โหเราไปอยู่บ้านสบายจะทําอะไรก็ได้เราได้สละเวลามาเนสละเวลามาได้มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันที่สามได้สะละอ ะ, สะอะไรอีกนะเนี่ยสละอะไรสละเรื่องกินสละเรื่องนอนสละเรื่องอยู่สบายใช่ไหมสละเวลาอันนี้เป็นสละข้างนอกหปือข้างใน ข้างนอกยังเหลือสลาข้างในอีกได้สละอารมณ์อ่ะสละอารมณ์มีเด็กคนหนึ่งที่พูดแต่แต่บางพูดเรื่องสลาสลากหลพ่อหลวง่หลพ่อไม่ชอบกินสละอ่ะแล้วก็งงก็มานเ้ทําไมไม่ชอบกินสลากเราก็ชอบจะตายไอ้าวแต่หลวงพ่อออกสลากอยู่เยมาลองสละรู้จักสลากไหมอ่ที่กล้ๆกับผลไม้กล้ๆกับลูกกระมอ่ะ นแต่มันไม่อีหนามมันสละเนี่ยหลวงพ่อชอบสละสละออกไปสละออกไปการสละออกนี่ทําให้เรารู้สึกอะไรขึ้นการสละออกนี่ทําให้เรารู้สึกอะไรขึ้นเบาแล้วก็สบายใช่ไหมยิ่งเราสละออกอะไรได้ไปจากใจเราไปได้มากเนี่ยยิ่งได้มากขึ้นทําไมเราต้องสละออกด้วยเอาไว้ได้ไหม เรื่องดีๆก็อยากเอาไว้ใช่ไหมเรื่องดีๆในชีวิตนี่อยากเอาไว้แต่มันอยู่กับเราไหมันนก็มาแล้วก็ผ่านไปเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเราต้องรีบสละทันทีใช่ไหมแต่บางเรื่องมันไปยากเหลือเกินยากเอเกิดแต่มันก็ไปไหมไปมันเหมือนอุปมาเรื่องของของทุกอย่างมันมีมันมีระบบความเป็นไปของมันอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะไปทาอะไรไปได้ มันเป็นแค่เราต้องผ่านมันไปหรือมารมันต้องผ่านเราไปใช่ไหมชีวิตเรานี่คือการที่หยุดอยู่หรือการเดินผ่านทั้งหมดดีๆฮะตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการหยุดอยู่หรือการเดินผ่านใช่ไหมชีวิตดูดูภาพลักง่ายๆชีวิตร่างกายนี่เป็นการเดินผ่านใช่เราผ่านอะไรมาบ้างแล้ว วัยเด็กวัยทารกอเติมมัน่อยก็ได้วัยทารกวัยทารกม้างวัยเด็กบ้างวัยหนุ่มสาวบ้างวัยวัยอะไรวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยกลางคนแล้วก็วัยแก่เฒ่าแล้วก็วัยเฒ่าแก่แล้วคนสุดท้ายต้องไปไหนอีกหายไปเลยในชีวิตเราอะเริ่มจากเริ่มจากการมีเรื่องริ่จากการไม่มี ชีวิตทุกคนเนี่ยทุกคนที่มาอยู่บนโลกเนี่ยพื้นฐานของทุกคนเนี่ยมาจากการมีหรือการไม่มีแล้วไปสู่อะไรแต่เราพยายามจะให้มันเออนั่นแหละนัาะเราต้องหัดสละสละกไปสู่ความเป็นธรรมชาติของมันไงทุกคนในยพยายามนะเริ่มจากความไม่มีดำรงอยู่ด้วยความไม่มีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีแต่เราพยายามอยาก มีแล้วมันจะมีได้ไหมนี่แหละคือชีวิตที่ทวนกระแสที่ขัดแย้งต่อความเป็นจริงของโลกนยที่เรามีปัญหาทุกวันเนี้ยเพราะเราเกิดการเดินทวนกระแสต่อความเป็นจริงของโลกที่ก็เป็นอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นอะไรอ่ะบางทีเราได้ของอะไรม า, มามาพยายามเราจะพยายามรักษามันไว้แต่ผลสุดท้ายเรารักษามันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเหมือนชีวิตเนี่ยเป็นของเราใช่ไหมใช่ด้วยใช่ นหน้าแต่ใจไม่ยอมรับเฮ okay. สั่นหน้าแต่ใจไม่ยอมรับนี่แหละเราเรียกว่าต้องมหารฝึกสละไงเนี่ยการขาับการสละการให้ทานพยายามฝึกให้มันเข้าใจความเปจริงของทุกอย่างเราต้องเดินผ่านมันไปและมันก็ต้องมาผ่านเราด้วยนั่นจะเป็นการแค่เดินผ่านเป็นการเดินผ่านในการเดินผ่านแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องได้อะไรด้วยถ้าผ่านแบบ ไม่ได้การเรียนรู้เนี่ยมันก็จะผ่านไปแบบไม่รู้เรื่องอ้การผ่านไปแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วมันจะเข้าเข้าใจเรื่องนั้นไหมมันไม่เข้าใจวันดีคือดีมันก็จะไม่ให้ผ่านใช่ไหแต่ถ้าการผ่านไปด้วยความรู้เรื่องด้วยความเข้าใจยอบรับความเป็นจริงเนี่ยมันจะผ่านไปอย่างสบายๆมันจะมากี่ครั้งกี่ครั้งจิตใจมันก็ไม่เป็นไรฉันเรือว่าอนุโมทนานะต่อทุกๆคนที่ได้ตั้งใจมาสละอาจมาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทำบุญง่ายง่ายแต่ทำบุญแต่ถ้าคนทำยากเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยไปกินมือเดียวได้ไหมเหตุผลเยอะเลยแหละฉันต้องทำงานฉันต้องออกกำลังกายฉันต้องใช้ส ม, มองอะไรนี่เยอะไปเลยแหละใช่ป่ะเหตุผลเต็มไปหมดเลยมันสลับได้ยากแต่พอม า, าอยู่วัดก็ยังไงเขามีกติกาให้แค่นี้คือ <c oughs> แตมาอยากให้พวกเราเนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากชีวิตเก่าบ้างเพืจะได้มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหม ถ้าชีวิตเราเนี่ยมันอยู่แบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมเนี่ยมันไม่มีข้อเปรียบเทียบเนี่ยมันจะรู้จักไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรอะไรเกินอะไรน้อยรู้ไหมไม่รู้แต่มื่อมีข้อเปรียบเทียบเออเราอยู่กินข้าวเมืเดียวก็อยู่ได้ไหมถ้า ไ, ได้เห็นตายเนี่ยหุ่นดีด้วยใช่ไหมโอเคอทีนี้ส่วนใหญ่เรื่องส่วนใหญ่ที่เราแก้ปัญหายาที่สุดคือการสละทางใจใช็นไหม เคลื่อนทางกายเนี่ยเราอาจจะสละได้ไ ง, ง่ายนะบางครัเออไอ้นี่นะมีไอ้นี่นะยกให้เขาไปซนะก็ได้ล้ใช่ไหมอ่าเพียงแต่มันเอาออกไปจากเราก็ได้แนละ้วแต่ใจนนะ่ะเวลาเรามีอารมณ์ไม่พอใจนี่จะสละยังไงวะเวลามันชอบใจขึ้นมาปุ๊บโอ้ ม, มันชอบใจมันอยากได้แล้วจะสละมันยังไงวะสละยากไหมอารมณ์พอใจไม่พอใจที่เกิดกับใจเราเนะ่ะ สลยากไหมอืมแต่ถ้าเข้าใจวิธีนี่สละง่ายกว่าไอ้นี่อีกง่ายกว่านี้อีกนะเพราะไอ้นี่มันต้องมีสิ่งของมีวัตถุใช่ไหมอันนี้นไม่ต้องมีเลยนั่นเฉยๆเอาโปรดมาพวกเอาไปให้ทานชอบมาพวกเอาปให้ทานเนี <c oughs> ่ยสบายด้วยแล้วไม่ต้องรอใครด้วยแล้วใครได้ผลเราได้ผลทันทีเลยเนี <c oughs> อันนี้แหละมันจึงต้องมาสู่การฝึกไงสู่การฝึกวิธีเนี้ย เดี๋ยวจะกลับไปแล้วเนี่ยจะไปต่อกันได้ไหมเนี่ยคือไม่ติดอาจารย์ราเชนอวิสาตอนดีๆให้แยกนะแยกนะาออกไปนี่ก็จะกลับรวมเหมือนเดิมอย่าง <c oughs> ับหลังอาจารย์เลยรับหลังวัดก็ไปรวมกันเหมือนเดิมอีกใช่ไหมเดี๋ยวต้องรู้จำดีๆอ่ะยี่ในพูดเรื่องนี้ที่เรามาเข้าใจก่อนว่าเรารู้ไหมว่าเราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพอสรุปได้ไหมว่า สิ่งใดที่ต้องฝึกและสิ่งใดที่ไม่ต้องฝึกถ้าเราสรุปสรุปความรู้ตรงนี้ได้นะเราจะง่ายมากเลยต่อการภาวนาเนี่ยแต่ถ้าเราสรุปตรงนี้ยังไม่ได้นะเราจะภาวนายากมากเลยยากมากเลยเพราะบางทีไปฝึกสิ่งที่ไม่ต้องฝึกแต่สิ่งที่ต้องฝึกกับไม่ได้ฝึกมันก็เลยมันก็เลยสับสนไปหมดเลยถ้าเราสรุปตรงนี้ให้ได้แล้ว คือต้องฝึกไปได้ก่อนสิ่งใดต้องฝึกสิ่งใดไม่ต้องฝึกเนี่ยแล้วขั้นตอต่อมาคือเมื่อต้องฝึกแล้วจะฝึกแั่มันยังไงเมื่อฝึกไปได้แล้วมันได้ผลอะไรเนี่ยคําถามสามคำถามเนี่ยสามคำตอบเนี่ยต้องหาให้ได้ในใจเราถ้าเราหาสามคำตอบที่ไม่ได้ในใจเราเนี่ยเราฝึกไปเราก็งงกับเราเองเนี่ยากจะพูดสามเรื่องนี้ฟังเวลาคงจะพออยู่นะ เรื่องสิ่งใดต้องฝึกสิ่งใดไม่ต้องฝึกนี่เรื่องก่อนเรอที่สองจะฝึกกับมันยังไงหลังจากฝึกแล้วเราได้อะไรบอกก่อนนะว่าอาตามาเนี่ยเขายกให้เฉยๆมันอยู่นานอยู่นานเนี่ยก็เลยยกให้ออกเป็นรูกพี่บ้างเป็นลูกพี่บ้งเป็นรุ่นก่อดบ้งมาอยู่นานเขานานกว่าเขาบวชมาก็เ อ, อที่ยังไม่เคยศึกเลยคนหลายพรษาอะไรนะ <c ười> นั่นก็เลย ได้เป็นไม่อยากได้เป็นหรอกอแล้วก็ยังไม่คิดด้วยว่าจะสอนใครได้นะสอนใครได้คือคิดแค่ว่าตัวเองก็เป็นแค่กำลังสอนตัวเองอยู่คิดว่าเป็นแค่เพื่อเดินทางอยู่แต่ก็เห็นอานิสงส์ของการที่เราได้ทําอย่างเนี้ยเราต่างเกา่ า, กายัางไงดี่อเก่ายังไงสบายใจพอเก่าแบบไหนมันจึงกล้าที่จะมาบอกว่าเออเราทําอย่างนี้มันทําให้เราต่างเก่านะสบายใจพอเก่านะ มีความสุขกว่าเก่าโอ้ยสบายมากๆเลยไม่ไว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเรือ่องสุเบาสบ า, สบ า, สบายจิตมันโล่งโป่งสบายมากเลยแต่ว่าพอจะสบายน้ําตาหมดไปไหลหลายหยดเมื่อไหอ่มันต้องต่อสู้กับมันไม่ต่อสู้อะไรเหนื่อยเท่ากับต่อสู้ใจต่อสู้กับตัวเองต่อสู้จนสรุปได้ออว่าเออเมื่อก่อนเราฝึกอะไรเนี่ยเราให้ฝึกสิ่งที่ไม่ต้องฝึกแต่สิ่งที่ต้องฝึกเราไม่ฝึก ควกมรูพ้พวกกรู้ว่าฝึกฝึกฝึกอะไรเรามาฝึกอะไรกันฝึกอะไรสิ่งที่ต้องฝึกฝึกอะไรอาฝึกสติมั่งฝึกรู้สึกมั่งนะทาตอบยังไม่ตรงใจเอาฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเพื่อจะให้เราเข้าใจก่อนว่าอะไรต้องฝึกนะเพื่อเราจะได้สรุปแล้วเดี๋ยวจะบอกไว้ทีว่าเวลาเราไปฝึกฝึกกับชีวิตจริงฝึกยังไง อะไรไม่ต้องฝึกบ้างเอาเรื่องไม่ต้องฝึกก่อนหนึ่งตาเนี่ยต้องฝึกไหมให้มันเห็นรูปแล้วต้องฝึกไหมให้มันเลือกรูปที่จะเห็นเนี่ยนี่มีสองคำนะต้องฝึกไหมให้มันเห็นรูปแล้วต้องฝึกไหมให้มันเลือกรูปที่จะเห็นน่ยมันเลือกได้ไหมลืนตามาปั๊บเห็นคนไม่ชอบหน้ามันก็ต้องเห็นน่ะลืนตามาปั๊บเห็นคนชอบหน้าก็ต้องเห็นน่ะ ใช่ไหมมันมันไม่สามารถที่จะเลอกมันได้นะเลือกรูปไม่ได้ด้วยรูปที่จะเห็นเนี่ยจะเป็นรูปที่เราต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยทั้งตาเนี่ยมันจะปรากฏเข้ามาโดยธรรมชาติคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่ารูปที่คุณจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นรูปที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามจะเป็นรูปที่ชอบใจหรือไม่ชอบว่าถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกจะเป็นรูปที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามเพรามันถูกใจทั้งคู่เลยเห็นแล้วมันถูกใจทั้งนั้นแหละ ชอบใจก็ถูกไปในใจไม่ชอบใจก็ถูกไปในใจแล้วล่ะใช่ไหมนั้นตาเนี่ยไม่ต้องไปฝึกมันให้เห็นรูปให้าบางคนแล้วไปไ ป, ไปนั่งกรรมฐานเออท่านเห็นรูปเยอะแยะมากมายแล้วกุ้งสา่าต้องหลับตาหลับตาเพื่อจะไปปิดแม่มันหเห็นแกอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมพอหลับตาปุ๊บภาพในใจแตกหมดเลยแตกหมดเลยจินต a ก a ร์จะให้รู้ดีว่าหนึ่งตาเนี่ยไม่ต้องไปฝึกมัน โอเคแล้วเข้าใจแล้วนะไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งหมดเลยเพราะมันฝึกไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องฝึกมันด้วยใช่ไหมมันจะต้องเป็นมันอย่างนี้แหละอะไหลไปเลยตาเนี่นะเอาหูล่ะต้องฝึกมันจะยินเสียงไหมใช่ไหมแล้วเราเลือกได้ไหมเสียงอ่ะเวลาเราจะได้ยินเนี่ยเราเลือกเสียงได้ไหมเสียงด่ากับเสียงชมอนี้ เราเลือกได้ไหมดูทวงดีๆนะหูเลือกไม่ได้แต่ใจเราชอบเลือกเฮ้ยเก๋เลยไหมหูมันเลือกไม่ได้นะแต่ใจเราชอบเลือกใช่ไหมแต่หูเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์นะจะฟังเสียงด่าเสียงชมเสียงธรรมชาติเสียงทุกเสียงจะต้องเกิดแม้เมื่อคืนเรานอนหลับแล้วเราเรานอนไม่หลับแต่เราจะจะยินเสียงเขาลากเรือใช่ไหมเราก็ต้องฝนฟังทั้งที่อะโวโหก็ต้องฝนฟังเนี่ยมันได้ฝึก ด้หูเนี่ยบางทีเรานอนไม่หลับก็อ้ยหูเสียงมันดังมากเลยเขาเลยบอกว่าอย่าเอาหูไปทะเลาะกับเสียงหรือจะเอาเสียงมาทะเลาะกับหูเพราะมันไม่ทะเลาะกันหรอกทั้งสองตัวเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันอันนี้ไม่ต้องฝึกเอาอีกแล้วสองเลยนะตาไม่ต้องฝึกหูไม่ต้องฝึกจมูกละ่ะต้องฝึกให้มันรู้กลิ่นไหมแล้วมันเลือ ก, ไ, กนนได้ไหมกลิ่นน่ะได้ไหม ไม่ได้อ่าจะโบกก็ไม่ต้องฝึอกอีกแล้วมันจะมีหน้าที่เข้ามาโดยตรงเองมันมีหน้าที่เข้ามาเสร็จแล้วอะไรมาก็ทบปุ๊บมันได้ยินได้ได้กลินหมดแหละไม่ต้องฝึอกอีกอ่าตาหูจะโบกเล่นเล่ น, ล น, ลนอ่ะฝึกหมฝึกใค้ดูรถไหมเล่นมันเลือกรถได้ไหมโอ้ยไปกินบราร์เก็ตอยากให้มันหวานได้ไหมไม่ได้ไปกินอ้อยอยากให้มันขมได้ไหมไม่ได้บางครั้งเจ็บป่วยกินอ้อยยังปากขมเลยใช่ไหม ลิ้นก็ฝึกไปได้เองฝึกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรผัดสะมาผ่านไปพุกเนียมันก็จะมันก็จะเกิดเกิดเกิดตามเรื่องของมันนั่นแหละแล้วเ ร, เราเลือกไม่ได้ด้วยซ้ํำเราเลือกได้เราบอกว่าเราเลือกได้ใช่ไหมอา้าวเราเลือกได้เลือกได้จริงหรือเป่าเฮ้ยยังคาใจอยู่นิดนิดเอาละไม่ต้องฝึกมันมันมีหน้าที่รู้ลิ้นก็มีหน้าที่รู้รสอา่าวแล้วกายอ่ะ ฝึกได้ไหมฝึกไปกายเน่ะต้องฝึกมันไหมฝึกให้มันร้อนนะฝึกให้มันเย็นนะฝึกให้มันปวดนะฝึกให้มันเมื่อยนะฝึกให้ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ร้อนไม่เย็นเน่ยต้องฝึกมันได้ฝึกได้ไหมเนี่ยกายนี่เหมือนกันเนี่ยฝึกให้มันเคลื่อนไหวก็ฝึกให้มันหยุดนิ่งต้องฝึกมันไหมที่ต้องฝึกถึงเวลาบางทีบางทีอาอย่างคนเป็นอัมพาตเนี่ย โอ้ยฉันอยากจะเคลื่อนไหวแต่มันก็ต้องหยุดนิ่งใช่ไหมฉันร่างกายเนี่ยก็ฝึกไม่ได้อีกอารมณ์ที่เกิดกับร่างกายทั้งหมดก็ฝึกไม่ได้เย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งแข็งจรงไว้เจ็บปวดเมื่อยเพรียไม่สบายความไม่สบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายตามเหตุปัจจัยเนี่ยเพราะร่างกายนี่เป็นรังของเออรังของโรคนล้วไม่ใช่โรคโรคต้องเอาโรงเรียนมันเป็นรังของโรค เป็นรังของโรคคุณมีอะไรมันก็เป็นโรคไอ้นั่นแหละเอ้ามีตาเป็นโรคตาไหมเป็นมีหูเป็นโรคหูไหมเป็นอีกมีโรคตับเป็นโรคตับไหมเป็นอีกมีโรคไตเป็นไตไหมไตไตมีโรคปอดเป็นปอดไหมเป็โรคไหมเป็นทั้งหมดนะแต่โหวจดเท้าเนี่ยมันเป็นทั้งหมดเลยแหลยเนี่ยคือร่างกายที่เป็นรังของโรคแล้วเราต้องฝึกมันไหมไม่ต้อง มันต้องรับวิบากกรรมของมาอย่างนี้แหละจะทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมได้ไหมโอ้ยฉันอายุมากแล้วจะไม่ได้ป่วยได้ไข้ได้เจ็บเลยได้ไหมไม่ได้มันก็ทำตามเนี่ยร่างกายนี่เกิดเหมือนกันไม่ต้องฝึกอีกมันจะเป็นระบบเส้นทางระบบวิวิบากของมันเองมันเพราะวิบากของมันอ่ะมันตรงตัวเลยมันไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งหมดเอ้าไม่ต้องฝึกอีกแต่บางคนไปทำเพราะโอยฉันปวดจะฝึกไม่ปวดได้ไหม นายบอกร่างกายนี่มีอะไรแก้ไขได้บ้างแปว่าเราแก้ไขโรคได้ไหมโรคหิวแก้ไขได้ไหมโรคหิวแก้ไขได้ไหมไปกินแล้วก็อิ่มใช่ไหมเขาว่าแก้ไขได้หนึ่งคือแก้แล้วสิ่งนั้นไม่เกิดนะถ้าแก้แล้วสิ่งนั้นเกิดอีกเขาเรียกว่าแก้ไขไม่ได้นะเขาเรียกว่บรรเทามัรได้นะต้องดีหัวข้อด้อ แก้ไขได้คืออะไรแก้ไขไม่ได้คืออะไรแก้ไขได้เพราะแก้ไขสิ่งนั้นได้แล้วสิ่งนั้นไม่เกิดกับเราอีกนี่เรียกว่าแก้ไขได้แต่แก้ไขแล้วสิ่งนั้นยังเกิด ก, กับเราอีกที่เรียกบรรเทาบันได้ไม่ใช่แก้ไขได้อ้าวตอบผมก็ตอบผออิดนะ <c oughs> ได้ไมเช่นร่างกายทั้งหมดเนี่ยร่างถ้าเราฝึกดีนดีพวกถ้าแยกเป็นนะจะเห็นเลยร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเลยที่เป็นไม่ใช่ร่างกาย ที่เป็นอยู่นี่ไม่ใช่ร่างกายนะร้อนใช่ร่างกายไหมอ๋ อ, อไม่ไม่ใช่จังร้อนอยู่ใช่ไหมมันจะมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าถ้ามันเป็นอันเดียวกันนะ่นจะร้อความร้อนกับร่างกายนะถ้าความร้อนกับร่างกายเป็นอันเดียวกันเวลาร้อนหายไปร่างกายต้องต้องสลายหายไปด้วยใช่ไหมเวลาเนี่ยหลักการมาันง่ายๆทีเดียวจะมาวิธีแยกแยกอาจาชอบแยกง่ายๆอยู่แหละหลักการมันง่าย ถ้าความร้อนเป็นหลักอันเดียวกับร่างกายนะเวลาความร้อนหายไปร่างกายต้องหายด้วย อ, อ้าเวลาความเย็นกับร่างกายเป็นอันเดียวกันนะเวลาความเย็นหายไปความความเย็นที่เกิดกกขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมพอความเย็นหายไปร่างกายต้องหายด้วยทุกคนเคยปวดหัวไหมแล้วเวลาเราปวดหัวเนี่ยตัวความปวดกับที่หัวกับตัวหัวอันเดียวกันไหมตอนนี้เรามีหัวแต่ไม่มีความปวดใช่ไหม เน่เราดูดีๆร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเลยหัวเราไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันพอมีเหตุปัจจัยมาให้มันปวดมันก็ปวดถึงเวลามันก็หา ย, แ ล, หหายหาหแล้วหัวหายด้วยไหมถ้าเกิดปวดหัวแล้วหัวหายด้วยจะนะอันเดียวกะนะ็ได้บาเราปวดเขา่าด้วยว่ า, าปวดเขา่าใช่ไหมปวดเขา่าปวดเข่าเนี่ยที่จริงความปวดมันเกิดที่เขา่าเข่าไม่ได้ปวดนะสังเกต ด, ดีๆพอมันหายไปแล้วเป็นไงเข่าเหลืออยู่ไหมเนี่ยวิธีการแยกคุณต้องแยกดีๆระหว่างร่างกายกับสิ่งที่เกิดกับร่างกาย ถุณแยตรงนี้ไม่เป็นอย่างคุณจะเอาไปถือรวมกันหมดเลยสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกไหมยอย่างอยู่ในขั้นตอนเราอะไรฝึกไม่ฝึกเด้อมันจะไป ม, มั่วนะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องฝึกใช่ไหมอ่าพี่เอาต่อมาอีกอารมณ์อารมณ์ใช่ไหมเราจะมีปัญหามากเลยอารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยเราต้องฝึกมันไหมอารมณ์เนี่ย เราต้องฝึกมันไหมต้องฝึกให้มันโกรธไหมพวกเราอะต้องฝึกให้มันชอบไหมพวกเราต้องฝึกให้มันอยากไหมต้องฝึกให้มันคิดไหมต้องไปฝึกมันไหมพวกเนี้ยรักโลภโกรธหลงคิดนึกอดีตอนาคตนี่ต้องฝึกมันไหมเรากําลังฝึกอะไรกันแน่เออดูดีๆอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะ มันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องฝึกมันไหมบางคนเนะจะไปเดบัดธรรมเพื่อไม่ให้มันคิดอาตมาจะแนะวิธีให้ง่ายนิดเดียววิธีปฏิบัดธรรมแบบไม่ให้มันคิดนะทํายังไงรู้ไหมเป็นนอนหลับถ้าคุณจะปฏิบัดธรรมเพื่อไม่ให้มันคิดนะคุณไปนอนหลับเลยถ้าวันไหนหลับแล้วคุณไม่ฝันนั่นแหละคุณหลับอย่างสบายคุณไม่คิดแน่แหละแต่วันไหนหลับแล้วคุณฝันน่ะคุณคุณไม่ได้ มันยังคิดอยู่ฉะันถ้าเราไม่ไดบัดทําเพื่อไม่ให้มันคิดน่ยมันผิดแล้วงงงงเออมันจะคิดหรือไม่คิดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกมันใช่ไหมมันจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังเราไม่ได้ฝึกมันมันจะคิดดีเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องอะไรเราไม่ฝึกมันเปล่าไม่อะพอมันประสบเหตุปัจจัยถ้ามันเกิดความชอบใจอะไรมันขึ้นมาปุ๊บคุณเรื่องคุณงามความดีอะไรดีๆเข้ามา เพระสมกับสิ่งที่ไม่ชอบใจปุกวอ่ะเรื่องความชั่วเลีวไหลไหลสามก็ตามมามันเป็นเรื่องปกติเพราะมันอารมณ์ในใจเราไม่ต้องไปฝึกอาจมาพูดสองคำนะอารมณ์กับใจนะนคำดีๆนะอารมณ์ทั้งหลายเหมือนที่อาจมากําลังพูดกายกับสิ่งที่เกิดกับกายคนละตัวกันนะใจกับอารมณ์ที่เกิดกับใจเหมือนกับกายกับอารมณ์ที่เกิดกับกายนี่แหละ เช่นเรากำลังภาวนากันเนี่ยยกมือสร้งจิตวะเดินจงกรมเนี่ยเราฝึกอะไรกันแน่ถามตัวเองบางทีเราเดินเดินไปฉันต้อฝึกไม่ให้มันง่วงอย่างเงี้ยฝึกไม่ให้มันคิดฝึกให้มันดีมันถูกไหมอ้าวที่ได้ตั้งหกแล้วเราเรามาฝึกอะไรกันเนี่ยเราฝึกอะไรกันอย่าไปได้คำตอบนี่คือทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องฝึกนะ คุณฝึกษษมันไม่ได้หรอกไม่ต้องไปฝึกมันเลยเรื่องพวกนี้ยอารมณ์ทั้งหลายทาั้งปวงที่จะเกิดกับใจอ่ะมันจะเกิดกับคุณไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะเกิดกับคุณไปเรื่อยๆอารมณ์ไม่ใช่ตัวปัญหาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาตัวปัญหามันอยู่ที่ไหนที่อยากจะไปทําอะไรกับอารมณ์นั้นเนี่ยคือตัวปัญหานหะอารมณ์ทั้งหมดไม่ใช่ตัวปัญหานะแต่ตัวความอยากที่จะจัดการกับอารมณ์นั้นน่ะ อารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นกับเราอารมณ์ที่ไหนเราชอบเราก็จะจัดการแบบไหนเราจะจัดการแบบอารมณ์ที่เราชอบๆบเราจะจัดการเอามาไว้ให้มันอยู่กับเรานานๆใช่ไหมเราจะพยายามจัดการให้อยู่กับฉันนานๆนะอย่าไปกับฉันนะอย่าหนีจากฉันนะแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็หนีไปเหมือนเดิมใช่ไหมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอ่ะแถมก็จะพยายามจัดการให้มันออกไปไวๆออกไปไวๆหมดไปไวๆหมดไปไวๆหมดไปแต่มันไม่ถึงเวลามันยังไม่ไป เนี่ยคุณไปฝึกอะไรอารมณ์มันก็เป็นเรื่องปกติของมั น, นที่มันจะต้องเกิดเพราะมันมีอารมณ์ท้งห้ามีอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายมันก็ต้องไปเกิดอารมณ์ที่ใจอันนี้เป็นปกติของมันไม่ต้องไปฝึกมันเราฝึกอย่างเดียวเลยที่ต้องฝึกเนี่ยโอชาร้นี้พวกสิ่งที่ต้องฝึกง่ายนิดเดียวทั้งหมดเนี่ยต้องฝึกอย่างเดียวฝึกใจฝึกใจไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ อย่าไปฝึกใจทำลายอารมณ์เด้อพวกคนไหนกําลังฝึกใจที่ทำลายอารมณ์ที่ทำลายไม่ให้มันคิดทํำลายไม่ให้มันง่วงทํำลายไม่ให้มันคิดชั่วทําลายให้มันแต่ไม่ให้มันคิดทำลายแต่ให้มันคิดดีๆแล้วทำลายให้มันคิดชั่วอันนี้คุณกำลังฝึกผิดแล้วไปฝึกทํำลายพวกนี้ยฝึกจนตายก็แก้ไขไม่ได้นั่นไม่ใช่ทางออกที่พระเจ้าท่าสอนหรอกจะบอกให้พอคุณฝึกไปเดี๋ยวคุณก็เดินวนอยู่ในอ่างอยู่ในวัดตะเพอและคุณได้อารมณ์ดีๆคุณก็รู้สึกว่ามันจะ ดีกับเราตลอดแล้วมันก็หายไปก็ไปเกิอารมณ์แย่ๆอารมณ์แย่ๆก็พยายามอีกสลัดอารมณ์แย่ๆออกก็เจออารมณ์ดีๆมันจะเวียนไปเวียนไปเป็นวงกินหางคุณเห็นไหมว่ารอแล้วแต่มันเป็นวงกลมใช่ไหมไอ้วงกลมเนี่ยมีที่สิ้นสุดไหมเออวงกลมไม่มีที่สุดวัตะสงสารมันเป็นแบบนั้นแหละแล้วมันไปไกลด้วยวงกลมเนี่ยนะี่ยาวอ่ะในชีวิตนะที่สิ่งที่ต้องฝึกนี่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าอะไรไม่ต้องฝึกจะได้รู้ง่ายขึ้นเออต่อไปไม่ต้องไปฝึกอะไรทั้งสิ้นไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องฝึกเลยโผล่เรื่องคุณไม่ต้องฝึกตาฝึกหูฝึกจมูกฝึกลิ้นฝึกกายแล้วก็ฝึกอารมณ์ที่เกิดกับใจด้วยแล้วไม่ต้องไปฝึกรูปฝึกเสียงฝึกกลิ่นฝึกรสเพราะในโลกนี้มันจะมีข้งมันขบวนการในการจัดการข้ามันทั้งหมดแหละอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมชาติมันจะมีสองส่วนเท่านั้นเองหนึ่งรูปที่สวยคู่กับรูปที่ไม่สวยใช่ไหม กลิ่นที่หอมคู่กับกลิ่นที่เหม็นใช่ไหมเสียงที่เพราะคู่กับเสียงที่ไม่เพราะรสที่อร่อยคู่กับรสที่ไม่อร่อยใช่ไหมกายที่สบายคู่กับกายที่ไม่สบายอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นคู่หมดเลยมันจนเเลยเกิดเป็นอารมณ์ทางใจจนสองฝักสองฝ่าย2กลุ่มสองก้อนกลุ่มนี้เพราะถ้ามันพบสัมผัสสิ่งที่ดีๆพวกมันก็จะส่งเสริมในการคิดดีกระทบสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีปุ๊ก็เกส่งเสริมในการคิดร้าย นี่เป็นเรื่องปกติของมันเพราะมันมาจากกระบวนการข้างนอกที่มันเป็นอารมณ์สองกลุ่มนี้มันเลยไปเจอเกิดขบวนการอารมณ์ข้างในอีกสองกลุ่มแล้วเราก็เลือกข้าเราเข้าข้างไหนเข้าข้างชอบใจแล้วเราเกียดข้างไหนเกียดข้างไม่ชอบใจนี่แหละเราจึงหลงไปสู่การจัดการพอเราไปสู่การจัดการเมื่อจัดการไม่ได้เกิดอะไร <c oughs> เกิดอะไรและอารมณ์ทั้งสองข้างนี้นะ่ะมันทุกข์หรือมันสุขอยู่ในตัวมันนะ่ะมันทุกข์อยู่ในตัวมันนั่นแหละมันไม่มีสุขนะทุกข์คืออะไรทุกข์คือทนสภ า, ภาพเดิมไม่ได้เราเห็นด้วยี่เวลาอารมณ์เราชอบใจนะ่ยเราจะรักษาความอารมณ์ชอบใจเราอยู่ให้สภาพเดิมได้ไหมสักพักหนึ่งมันก็หนีมัได้หรือเปล่าปัดๆก่นดีเราไปไหนไม่รู้ เราเรก็วิ่งตามคนมาต่อยต่อยตวิ่งไม่ทันเนี่ยพอพราะทั้งหมดอะอารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็ตามมันก็ทุกข์คือมันจะไม่ชอบใจอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันทนสภาพเดิมไม่ได้เดี๋ยวก็สลายตัวเช่นเราจะไปเหน็ดเหนื่อยอการเหน็ดเหนื่อยของเราเนี่ยจะไปจัดการพวกเนี้ยเลยเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยฟรีอ้าวเดี๋ยวมันจะไม่จบนะสรุปเลยอะต้องฝึกตัวเดียวฝึกใจฝึกใจฝึกยังไง ฝึกใจก็ฝึกรู้ใจมีหน้าที่สองกลุ่มหนึ่งรับรู้สองคิดนึกมีการรับรู้กับการคิดนึกนะตอนเนี้ทุกคนฝึกใจเหมือนกันแต่ฝึกใจในรูปแบบของการคิดนึกไม่ใช่รูปแบบของการรับรู้มันเลยเจอกระบวนการในการพราเราฝึกฝูกใจในการดะดันคิดนึกถ้าที่คิดนึกนั่นก็คืออารมณ์หนึ่งที่ใจต้องเรียนรู้ ตงสับระหว่ารงระหว่างตัวรู้กับตัวคิดตัวไหนเร็วกว่ากันตัวรู้กับตัวคิดตัวไหนเร็วกว่ากันมันจะจบไหมเนี่ยเราพูด <c oughs> จะตอบูกแล้วแน่ๆระหว่างรู้กับคิดตัวไหนเร็วกว่ากันเห็ว่าตัวคิดยกมือเพื่อว่าตัวรู้ยกมือหรือว่าไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ใช่รู้ใช่ไม่ใช่คิดยกมือ โอเคแต่ว่าตัวคิดเร็วนะสมมุติว่าอาตมาเคาะอะไรเล่นๆ เ, เนี่ยนะถ้าเคาะ อ, อะไรเล่นๆ เ, เนี่ยถ้าเคาะเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆ เ, เ, เรื่อยๆนี่ยนะแต่มาเคาะเราจะมานับเนี่ยถ้าเคาะเรานับเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ถือว่ารู้อะไรรู้ด้วยคิดด้วยฮะ อันนี้ถือว่าคิดนะเพราะมันจางเราก็นับเดิมสองสามทีะหนึ่งสองสามที่ห้ามาจากความคิดใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะแล้วเราะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบใช่ไหมถือว่าคิดนะ น, นี่อีกการหนึ่งคือฟังเสียงเคาะเฉยโดยไม่ต้องการจํานวนอันนี้ถือว่ารู้นะอันนี้ถือว่ารู้น ะ, ะแบ่งเลยวทเราลองมาพิสูจน์กันระหว่างคิดรู้กับรู้โดยไม่คิด ทันไหนจะเร็วกวกันลองดูนะเท่าไรทอไมนับดีๆเท่าไรเก้าใช่ไหมใจนะเท่าไรไหนเท่าไรเท่าไร เร็ววน้อีกเท่าเรีวกว่านี้อีกทันไหมไม่ทันแล้วใช่ไหมถ้าช้าหน่อยมันทันใช่ไหมอย่างี้ทันหนึ่งสอง9า0สี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบรทันไหมอ่านี่คือคิดนะทีนี้้องฟังแบบใหม่ไม่ต้องนับทันไหมทันไหมอะไรเร็วกว่าอะไร ใช่ไเนี่ยมันดังดังเท่าไหร่เราก็รู้เท่านั้นตามมันเลยเนี่ยตัวรู้มันเร็วอยู่แล้วโดยธรรมชาติน่ะตัวรู้มันเร็วอยู่แล้วในชีวิตจริงของเราน่ะตัวรู้มันเร็วอยู่แล้วกระบวนการของการตัวรู้อ่ะมันเร็วเข้ามันอยู่ตัเละเพราะมันใช้ตัวคิดรู้นี่แหละมันจึงไปถ่วงตัวรู้ให้มันช้าไม่ทันอารมณ์ปกติอ่ะอะไรกระทบคนาปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาก่อนถึงค่อยไปคิดพวกกระบวนการ อย่างตาเห็นเนี่ยเห็นป <talk S 2> <Yeah. S 1> ุ not, not, ๊บเนี่ยม begin, conduct, ันต้องพอตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยหนึ่งดวงตาหนึ่งรูปสองดวงตาสามรู้มันต้องเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยคิดต่อแต่เราไปพัฒนาตัวคิดนึกเนี่ยเป็นจะพัฒนาตัวรู้โดยรับรู้โดยไม่ต้องคิดเนี่ยที่เราว่าพวกที่คูบอาจารย์นะจ๊อปฝึกรู้ฝึกรู้ฝึกรู้ฝึกย่างเงี้ยฝึกรู้เนี่ยฝึกรู้อะไรเกิดขึ้นก็เอาแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้พอ พอรู้แล้วมันจะเกิดได้ขึ้นมามันจะเกิดการเรียนรู้พอรู้แล้วมันจะเกิดการเรียนรู้เรียนรู้สิ่งนั้นว่ามันเกิดขึ้นยังไงเติมลงอยู่ยังไงแล้วสลายไปแบบไหนนี่นี่นะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกตัวเดียวเท่านั้นเองฝึกยังไงไอ้ตัวรู้ที่ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วสบายๆที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่เราไม่ได้เมื่อกี้ที่ตั้งใจฟังเนี่ยเราต้องไปทํามันไหมระหว่างการเคาะเรานับ แต่การฟังเฉยเฉยไปตรงนับเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนง่ายกว่ากันฟังเฉยเฉยก็ด้ยินเฉยเฉยเดโดยธรรมชาติอะไรตัวนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราโกรธทาไมเราจะไม่รู้เวลาอยากทําไมเราจะไม่รู้เวลาเราเบื่อเราทำไมเราจะไม่รู้เวลาคิดเรื่องอดีตนะเพเราก็รู้หมดใช่ไหมแต่รู้แล้วเราไม่อยู่ที่รู้เราไปอยู่รู้แล้วเลยเลยไปจัดการสิ่งที่เรารู้อ่ะ แล้วไปจัดการสิ่งที่รู้ก็บอกแล้วไอ้สิ่งนั้นอย่าไปยุ่งกับมันจัดการไม่ได้ก็ยังไปจัดการมันอีกผลสุดท้ายเป็นอะไรทุกคว า, ามทุกเขาไม่ได้ให้ไปจัดการกับมันก็ให้ปล่อยวางมันแต่เราพยายามจะจัดการคว า, ามทุกข์ให้เกิดคว า, ามสุขมันผิดกระบวนการ น, นะอันนี้เข้าใจยางทำไมจะต้องมาฝุกตรงนี้ ฉันทั้งหมดนี่ยเวลาใครไปฝึกกรรมาฐานแบบไหนก็พยายามไปฝึกให้มันสงบนะระวังดีๆไม่ได้ฝึกรู้ถ้าฝึกรู้กับถ้าฝึกรู้ชัดเจนจะรู้ช่ดเลยระหว่างความสงบกับตัวรู้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยความสงบคือตัวอารมณ์เท่านั้นเองตัวรู้ที่รู้ความสงบข อ, อกตั้งหากคือตัวรู้เอาวิธีแยกแยะให้เป็นิดหน่อยให้เวลาได้เท่าไหร่เนี่ย พขาพูดเขาจะยากได้ไงอันนี้ตอนนี้เราสรุปเลยเแล้วใช่หมเออทำไมต้องฝึกอันนี้เพราะรู้นะั่คือใจถ้าเราฝึกใจเราเข้มแข็งถ้าเราฝึกใจเราเข้มแข็งอย่างเดียวเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยใจเราอดเองไงเราใจเราชอบไปแอบไปอิงเป็นแนบไปจงไปหลงไปไหลไปยึดไปถือเราจะให้พูดเท่าไหร่ก็ได้โง่เลย แต่เราชอบไปยุ่งกับไอ้พวกนี้ยมันเลยทําให้ชีวิตเราเหมือนมันยุ่งไปหมดเลยเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เอามาวุ่นเรื่องที่ยังไม่ถึงก็เอามาวุ่นเรื่องกัาปัจจุบันก็วุ่นกับมันอีกก็เลยวุ่นหัวอย่างนี้วุ่นอยู่นั่นแหละเอาพยํามคิดยําทําอยู่นั่นแหละทั้งที่เรื่องมันก็มันเป็นเรื่องแต่เราเอามันเป็นเรื่องใช่ไหมมันเป็นเรื่องของมันแต่เราเอาเรื่องของมันเป็นเรื่องของเราเข้าใจไหมเราเข้าใจหลักการนี้จะชัดเจน มันเป็นเรื่องของมันโกรธเป็นเรื่องของโกรธนะแต่เราเอาความโกรธนั้นเป็นเรื่องของเราสะชอบเป็นเรื่องของความชอบนะแต่เราไปเอาความชอบนะ่นเป็นเรื่องของเราสะเราเลยเป็นยังไงอ่ะเวลามันยุ่ให้โกรธเราก็ต้องไม่ได้ถ้าไม่โกรธนี่ไม่มันใส่กันมาสักพักนึงเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะก็าหายไปพวกโอ้ยฉันไม่น่าไปทําเลยเอา อ, อกีกแล้วเปล้ไอความคิดดีๆก็ตีเราอีกตีกลับไปดูสิโอ้ยเนี่ยแต่เราพัฒเลย นี่ตัวนี้คือตัวหนึ่งทีนี้อา้าวเรารู้จักแล้วว่าเราต้องฝลุกอะไรเห็นไหมกระบวนการขั้นตอนกันแล้วก็ฝลุกกับมันยังไงในระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองสอ ง, สองส่วนเนี่ยทั้งสองส่ว น, นส่วนภายในเป็นส่วนส่วนทั้งห้าเนี่ยนะอย่างเกิดทางตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยกับเกิดทางใจเนี่ยอันไหนมันบอกความจริงได้ที่สุดดีที่สุด ตาหูจมูกลิ้นกายกับใจเนี่ยอันไหนมันบอกตรงฮะตาหูจมูกลิ้นกายกับใจเนี่ยอารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยอันไหนมันบอกตรงฮะตาหมันก็บอกตรงตรงเลยเนตาก็บอกตรงตรงเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะบอกเรื่องราวแบบตรงตรงเลยให้มีคดเป็นพอบอกเสร็จแล้วพอกระทบเสร็จแล้ว ไอ้เรอสีแปลงสารนี่แหละตัวแสบมันจะแปลงสารอยู่ข้างในได้เนี่อันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันอยากอันนี้ฉันไม่อยากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวข้างในเนี่ยมันเป็นตัวเรอสีแปลงสารที่มันมันมันรับสารแบบสารข้างนอกมัตรงนะแบบเคนเคยเคยส่งจดหมายไหมพอส่งจดหมายไปแล้วไป็นฝ่ายคนหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งเพื่ไปเขียนอีกความหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งเลยเข้าใจผิดเนี่ยเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะส่งเข้ามาตรงๆเลยตรงๆตรงตรงเลย แล้วพอใจไปรับรู้ปั๊บเนี่ยด้วยอนุสัยในข้างในใจเราเองมันเลยเกิดปรุงแต่งแปลงไปหมดเลยแทนที่ว่ามันไม่เที่ยงเราแปลงให้มันเที่ยงมันเป็นสุขบ้างทุกบ้างเราแปลงให้มันเป็นสุกมันไม่แน่นอนเมมันไม่แน่นอนเราแปลงให้มันแน่นอนมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเราแปลงให้มันมีตัวตนอยู่จริงแล้วมันจริงไหมเออไม่จริงแต่เราจะพยายามทำให้มันจริงแล้วมันจะจริงไหม เออทำจนตายมันก็ไม่จริงอย่างแหละก็ของไม่จริงไปทำให้มันจริงจะจริงได้ไหมไอ้ทางอย่าไปทำํำเรื่องมันง่า ย, ายนิดเดียวไปทํายุ่งยากทําไม <c oughs> เรื่องก็เลยเวลาเราจะฝึกนะทํายังไงเราจะเกิดภาวะของตัวให้มีสติและลึกถึงตัวรู้ได้ไบ่อยๆแหล่งที่เกิดตัวรู้มีกี่อย่างจําได้ไหมพูดไปมันจะยาวไว้เนย อาสนุกเย่อก็ได้สิ่งที่เกิดตัวรู้นะหนึ่งเกิดจากสติก็ได้ผงจะเข้าใจระหว่างสติกับตัวรู้ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแต่เอื้อกันอยู่อาศัยกันอยู่เกิดจากตัรู้ให้เกิดจากสติสติเขาเรียกว่าสติปัฏฐานใช่ไหมเราก็ฝึกตัวรู้ไปในกายฝึกตัวรู้ไปกับเวทนาที่อาจารราเชนสอนให้รู้จักเวทนามันจะบ่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวไหวเดี๋ยวนิ่งใช่ไหม เดี๋ยวง่วงเดี๋ยวซึมเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดึกเนะ่ยให้ฝึกรู้ไปในเวทนาแล้วฝึกรู้แต่จิตจิตมีราคะรู้จิตมีโทสะรู้จิตมีโมหะฝึกรู้ไปในทำฝึกรู้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัว น, นี้ค่ะเอาอาศัยตัวรู้ที่มาจากฐานของสติกายเวทนาจิตธรรมนี่ตัวหนึ่งทำมันงงงก็ไม่ต้จับมัก็ได้ไม่จาเป็นนะนะต่อมา ก็ฝึกตัวรู้ที่เกิดจากอะไรอีกนะผมนี่เนื่งมีมีสติตัวรู้ที่มีสมาธิตัวรู้ที่เกิดจากสมาธิมีสองกลุ่มหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งกันหนึงต่อล้านหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าอะไรที่เรากําลังสนใจการเคลื่อนไหวเนี่ยเราตัวเคลื่อนไหวไหม่ใช่ตัวรูเ้เดี๋ยวบอกให้ใครจะไปคิดว่าวตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวรู้ลับขีดนะ ตัวสร้างจังหวะตัวเดินจักลมนี่ไม่ใช่ตัวรู้นะเนี่ยที่ี้พอเรามาสร้างจังหวะปั๊บเนี่ยเราเอาตัวรู้มาสนใจตัวเคลื่อนไหวเนี่ก็หนึ่งต่อหนึ่งหรือบางคนเอาตัวรู้มาสนใจกับคําบริกรรมพูดโผเอาตัวรู้มาสนใจกับบริกรรมลมหายใจหรือบางคนเอาตัวรู้มาสู่ยุบหนอยุบหนอพองหนอมาสนใจคําบริกรรมเรื่อเอาหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยตัวรู้ที่เกิดหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้แต่ต้องฝึกให้เป็น ไม่ใช่แบบฉันจะฝึกรู้เนี่ยอย่างเช่นเราฝึกรู้เคลื่อนไหวเพื่อให้มันได้คิดนี่ถูกไหมฝึกรู้เคลื่อนไหวเพื่อรู้เคลื่อนไหวไม่ได้ไปใส่ใจว่ารู้เคลื่อนไหวแล้วจะดียังไงไม่ดียังไงฝึกรู้เคลื่อนไหวก็เพื่อรู้เคลื่อนไหว <laughs> นี่เราหนึ่งต่อหนึ่งโดยไม่ต้องไปสนใจอันอื่นเลย มันจะเกิดยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะดียังไงจะดีแบบไห น, นเราสนใจแค่หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้คือฝึกแบบนี้แก่เกิดฝึกแบบสมถะนะ้อเราฝึกตัวรู้ไปเ น, นี้ก็จะทําให้เกิดสมถะอีกฝึกตัวรู้ อ, ออีกอันหนึ่งที่สมาธิคือว่าสมาธิต้องเข้าใจก่อนคืออะไรสมาธิคืออะไรสมาธิคืออะไรสงบใช่ไหมต้องเข้าใจสมาธิคือการตั้งมั่นคือตั้งมั่นหนึ่งต่อหนึ่ง อกอันหนึ่งคือหนึ von, <to Therefore, S 1> ่งต่อหลังหมายควาว่าตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งโกงที่มาทั้งโกอ่ะหนึ่งต่อหก็แล้วมันไม่มีเกินตัวนี้หรอกหนึ่งต่อหกเนี่ยมันจะมาเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับการรู้มันมาทางตาเรารู้มาทางหูเรารู้มาทางจมูกเรารู้มาทางเล่นเรารู้มาทางกายเรารู้มาทางใจเรารู้เนี่ยก็หนึ่งต่อหตั้งมั่นอยู่กับการรู้ตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ว่าใช้ แบบสมถะกับวิปัสนาหนึ่งต่อหนึ่งเป็นสมถะหนึ่งต่อหกเป็นวิปัสนาเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นมาตอนเนี้ยเรามีตัวรู้ไหมกับเสียงที่เราได้ยินเนะ่ะเรามีตัวรู้ไหมที่กําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเขียงบังไม่เสีย ง, งบังเพราะว่าในี่ใจมังงงบังไม่ง ง, งบังว่ากันไปแหละเนี่ยอ่ะนี่ก็อีกแรงหนึ่งที่จะทําได้เอาต่อมาฝึกตัวรู้กับอะไรสมาธิฝึกตัวรู้กับ สัญญาใช้สัญญาจําภาวะรู้ให้ได้สัญญานี่นะจำสภาวะรู้ให้ได้เนี่ยตัวรู้กับสัญญาโดยใช่กันเดี๋ยวนี้ยเราจะหลงอย่างหนึ่งนะถ้าเราฟังธรรมะมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาแหละมันจะมีอุปสรรคมากเลยเครียดธรรมสัญญาสังเกตไหมธรรมสัญญ า, ญญาเราจะพูดสรุปไปเลยนะเอยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนนี้จังทุกขังนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอเดินออกไปประตู เราเท้ากูหายใครเอากูไปว้างใช่ไหมก็เดี๋ยวเาูโอยต้เท้าฉันหายทำไมมันใส่ไม่รู้เรื่องยังไงไม่มีสติกันเลยตัวเองก็ลังเกียจเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกก็ไม่รู้เอ่ยเนี่ยนี่เราทำบัตรสัญญาทำบมสัญญาเลยไอ้ตอนฟังนี่เข้าใจหมดเลยจะเกิดเหตุการณ์จริงเอามาใช้ไม่เป็นนี่เราทำบรสัญญาอย่าลืมนีคนบางทีฟังธรรมะมากๆอพอไปเจอเหตุการณ์จริงกุ๊กใช้ไม่เป็นเลย แล้วโอ้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วก็ดา่าเราเราต้องเอาสักหน่อยอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือทำมสัญญาระหว่งางสัญญาเนี่ยจะทําคือสัญญาคือการจาได้ไหมายรู้คือจําลักษณะของตัวรู้ได้ชัดอันนี้ยมันจะเกิดภาวะของตัวรู้ที่เกิดจากสัญญาสัญญาเพื่อจําจลักษณะของตัวรู้ได้ชัดนี่คือเป็นตัวรู้ชนิดหนึงอ้าวตัวรู้อย่างไรอีกตัวเรียจากมโนมโนคืออะไร น้อมนึกคิดเนี่ยก็รู้จากมโนคือตัวเวลาเรารู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดนั่นแหละกาลังรู้จากมโนแหละเพราะว่านี่มันคิดเรื่องอดีตเอนี้คิดเรื่องอนาคตเอางี้คิดกำลังจะกลับแล้วนะอาจารย์เ่อหรจะเรื่องสักทีเนี่ยก็คิดแล้วกาลังรู้อยู่เนี่ยเนี่ยเขารู้จักมโนคือความคิดนึกงั้นเวลาเรากําลังรู้ว่ามันคิดนี่ยโขกแล้วแต่อย่าไปทําให้มันไม่คิดมันไม่คิดเดี๋ยวก็รู้ว่ามันไม่คิดเดี๋ยวก็รู้มันคือมโนเนี่ยคือรู้มันจะคิดนึกคิดนึกเนี่ยรู้จากมโน อา้าวฝึกตัวรู้จากอะไรอีกวิญญาณวิญญาณก็คือทั้งหกที่พูดไปแล้วอา่าตาเห็นอะไรก็รู้หูได้ยนดดินอะไรก็รู้จมูกได้กลิ่นอะไรก็รู้ลิ้นรู้รสอะไรก็รู้อันนี้แหละฉะนั้นเราจะมีที่แหล่งในการสร้างตัวรู้ได้ทั้งหกตัวพอๆกัมาสร้างตัวคิดได้ทั้งหกตัวเลยนะถ้าฝึกมีถ้าไม่ฝึกนะมันจะรู้แล้วก็คิดรู้แล้วก็คิดรู้แล้วก็คิดรู้แล้วคิด ไม่รู้แล้วอยู่อือ่ที่รู้เพราะมันไม่มีกำลังของอะไรหนึ่งต่อหกหรือหนึ่งต่อหนึ่งเาเรียกไม่มีกำลังของสมาธิตวเนี้เพราะอยู่แค่รู้สิ่งนั้นจะดีจะชัว่วจะถูกจะผิดปล่อยมันไปตามชีวิตของมันตามทางของมันไม่ใช่ทางของเราทางของเราคือแค่นี้อ้าวโอเคแล้วจำลักษณะมันได้ไหมตัวรู้เนี่ย จะจำมได้ไหมว่าตัวรู้เป็นยังไงสมมติว่าพอใจไม่พอใจใช่ตัวรู้ไหมคิดกับไม่คิดใช่ตัวรู้ไหมดูดีๆนะแต่มันจะไล่ควงมคิดกับไม่คิดไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้คือไป ร, รู้ว่ามันคิด รู้อวมันไม่คิดนั่นเป็นตัวรู้แยกสองตัวให้ดีๆเ่ร้อนกับเย็นไม่ใช่ตัวรู้ไปรู้ว่ามันร้อนไปรู้ว่ามันเย็นนั่นคือตัวรู้หายใจสังเกตดีๆน ะ, ะนนอ่าปว ด, ปนนว ด, ดกับไม่ปวดไม่ใช่ตัวรู้แต่ไปรู้ว่ามันปวดรู้ว่ามันไม่ปวดนั่นเป็นตัวรู้สบายอ่ะสบายใจกับไม่สบายอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีไม่ใช่ตัวรู้ แต่ไปรู้ว่าอารมณ์มันดีอารมณ์ไม่ดีแล้วเห็นอารมณ์ดีไม่ดีนี่มันหายไปนั่นเป็นตัวรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วหายไปเนี่ยตัวรู้จะเป็นแค่อย่างเดียวคือรู้แต่สังเกตดูดีดีทตัวที่ไม่ใช่ตัวรู้อ่ะมันจะมีหลากหลายมากเลยสังเกตดีดีมันจะมีหลากหลายชนิดมากเลยดยเรางงไงไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวรู้เราไปรู้ทุกอย่างเช่นคิดเราก็รู้ไม่คิดเราก็รู้ตัวรู้ตัวเดียวนะแต่คิดกับไม่คิดสองตัวละที่ไม่ใช่ตัวรู้ใช่ไหมป่วยก็ไม่วด ไม่ใช่ตัวรู้แต่รู้ว่าปวดรู้ว่าไม่ปวดนี่เป็นตัวรู้เนี่ยตัวรู้จะเป็นตัวเดียวพระเจ้าเหรอจิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะโทสะเพราะราคะโทสะไม่ใช่ตัวจิตเพราะไม่ใช่ตัวรู้แต่ไอตัวที่ไปรู้ว่าราคะรู้ว่าโทสะนั่นเป็นตัวรู้เนี่ยมันง่ายไหมเนี่ยได้ยินเสียงกับไม่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่ใช่ตัวรู้ไหมไม่ใช่ตัวรู้ตอนนี้ได้ยิน ตอนนี้ไม่ได้ยินนั่นเป็นตัวรู้เห็นกับไม่เห็นเน่ะใช่ตัวรู้ไหมนั่นคือตัวอารมณ์แต่ไปรู้เนี่ยตอนนี้เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นนะเป็นตัวรู้อย่างนี้ท่า น, นตัวรู้เนี่ยมีอยู่ ร, บรอบๆตัวเราตลอดเลยแต่เราลืมมันไปเราลืมแล้วพยายามไปทำมันขึ้นมาจนกระทั่งเจอของปลอมไม่เจอของจริงเจอของปลอมเป็นยังไงจะรู้จักของปลอมคืออะไร เวลาเวลาทําขึ้นมาเนี่สบายเวลาไปเจอของจริงไม่รู้จะทชา ย, ยังไงไม่รู้จะใช้ยังไงอันนี้ของปลอมไม่ใช่ของจริงนะเช็คตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นแค่หนึ่งเดียวคือรับรู้รับรู้รับรู้แต่ตัวที่มาให้รู้เน่ยมันจะหลากหลายเลยเราแค่ฝึกตัวรู้เนี่ยรับรู้รับรู้รับรู้รับรู้อ้าวพอสท้ายจะจบแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันถ้าพูดลํายาววิที่ฝึกง่ายตัวรู้นี้ ไม่มีในอดีตไม่มีในอคตจะมีอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นจาไว้เลยอย่าไปคิดว่าเอาฉันเดินจงโกมเมื่อวันนั้นที่เท่านั้นเป็นอย่างนั้นฉันตัวเบาตัวสบายตัวโล่งกองชัดแจ้งสว่างจ้าแต่ตอนนี้มืดตึ๊บอย่าไปเอาพวกนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ตัวตัวรู้จะไม่มีในอดีตตัวรู้จะไม่มีในอนาคตคุณจะอยู่กับตัวรู้ด้วยคุณต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้เท่านั้น ก่อนเกิดไม่ใช่หลังเกิดไม่ใช่กําลังเกิดจึงใช่ฝึกตัวรู้ดีว่าฝึกที่ที่กำลังเกิดเนี่ยอะไรกาลังเกิดขึ้นมันอยากก็รู้ว่าอยากตัวอยากไม่ใช่ตัวรู้แต่ตัวรู้ว่าอยากต่างหากเป็นตัวรู้อย่างเนี้ยใช่ไหมตอนนี้ใจมันดิ่นดิ้นจะกลับบ้านจะกลับบ้านนันเองนะใช่ไหมอันนี้แหละถ้าเข้าใจดีแล้ววิธีการฝึกคือหนึ่งไปเอาอย่างนี้ซอยเป็นช่วงๆเลยชีวิตเนี่ยอย่าไปเอามันยาว ซอยมันช่วงๆก่อนกินข้าวกำลังกินข้าวหลังจากกินข้าวเรารู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้ได้เท่าไรแล้วก็จบไปก็ตั้งใหม่ก่อนอาบน้ํากําลังอาบน้ําหลังจากอาบน้ํารู้แล้วก็จบไปตั้งใหม่ซอยมันอย่างนี้เลยซอยมันทุกขณะเลยเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยให้มันรู้กําลังไปก็ให้มันรู้แล้วไปรอรถท่ารถไฟก็ให้มันรู้จบไปเลยอย่างเงี้ย ทุกขบวนการทุกขันก้นตอนของชีวิตเนี่ยไปดูดีๆชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้สั้นๆได้มากเท่าไหร่นั่นตัวรู้จะเกิดกับเราเยอะขึ้นถ้าเราหลงไปรู้ยาวๆเมื่อไหร่นั่นแหละกำลังไม่ใช่ตัวรู้นะสั้นๆปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเป็นเรื่องสั้นๆไม่ใช่เรื่องยาวเลยฉันถ้าเราจะให้มันชัดเจนจริงๆขยันขยันให้มัเกิดตัวรู้บ่อยๆคือต้องซอยให้จีๆไม่ใช่ป่ะเออฉันได้นั่งสร้างจังหวะเดินจนกลมแล้วฉันได้ฝึกรู้ จบเลยถ้าทำอย่างนี้นะไม่ใช่แล้วฉันไมหัซอยไอ้ทีแล้วนะคงเท่ากาสหน้าเจอกันคงมีเรื่องได้คุยกันยาวกว่านี้หน่อยนะอันนี้เดี๋ยวพวกเราจะเดินทางแล้วแล้เดี๋ยวก็เกิดจะรถไฟรอเราหรือเราต้องรอรถไฟใช่ไม <c oughs> <c oughs> เราต้องไปรอรถไฟหรือรถไฟไม่รอเราด้ <c oughs> นะงั้นก็คงให้ให้ข้อคิดในตอนสัตว์ได้แค่นี้นะ มีโอกาสเราได้เจอกันพบกันก็ฝากสิ่งดีๆเอาไว้ให้เราไปพัฒนาทั้นใครอยากให้ชีวิตนี่มีความสุขตลอดแล้วก็พ้นไปจากปัญหาเอรุ่งพรุงพลังทั้งหลายชีวิตที่มันไม่ใช่ปัญหาแต่เราเอามาเป็นปัญหานะให้เรารู้จักฝึกตัวเราฝึกอันเดียวพอฝึกสิ่งเดียวฝึกเรื่องเดียวฝึกอย่างเดียวมันจะฝึกยากอะใช่ไหมฝึกสิ่งเดียวถ้าเราฝึกกับมันเนี่ยแล้วอา น, นิสงส์ไม่ต้องพูดถึง มันมีอยู่ในนั่นเจบจบแล้วนะขอขให้ทุกคนจงมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเดินไปถึงที่สุดของความทุกข์นะนะดังอย่าไปทําอะไรกับความทุกข์เพียงแต่เดิอนออกมาจากมันก็พอแล้วนะเพียงแต่เดิอนออกมาจากมันก็พอแล้วทุกเรื่องอย่าไปทําอะไรกับเขาเพียงแต่ฝึกออกฝึกออกที่พาราเชนท่านได้ให้พวกเราหัดให้พวกเราพวกเราก็เอาไปต่อ ย, ยอดนะขอให้ทุกคนจงก้าวหน้าและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ในในทุกทุกขณะแล้วก็สามารถพ้นไปจากความทุกข์ที่มันดีบคั้นจิต ใ, ใจของเราได้ด้วยการทุกท่านทุกคนเึ้นสาธุสาธุสาธุเข้าใจชัดนะ กลับไปนี่กลับมาเจออีกทียังใครไปแบกไอ้รู้สึกตัวตัวปลอมมาแล้วไม่ต้องมาเจอหน้ากันนะกลับไปนี่ยังงงงอยูงง่เลยเอ๊รู้สึกมันรู้สึกยังไงรู้สึกตัวนี่ทํำยังไงมันกลับไปทางอื่นเถอะไม่ต้องมาทางนี้แล้วพอสี่ห้าวันสามสี่วันที่คุยกันเนี่คุยแต่เรื่องรู้สึกตัวแบบสัมผัสรู้แบบรับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายที่เกิดตรงๆ ร, งรงนี่ย้ำอยู่เรื่องเดียวนะท่านอาจารย์แล้วก็กลับมาย้าให้อีกแยกแยกให้ฟัง อะไรต้องฝึกอะไรไม่ต้องฝึกอาการตัวรู้เป็นยังไงตาไม่ต้องฝึกกระทบรูกแต่เวลามากระทบรูปเราก็แค่รับรูก้กายไม่ต้องฝึกให้มันรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเกิดโดยธรรมชาติหน้าที่เราก็แค่รับรู้ทุกคนพูดเรื่องเดียวกันแต่ถ้ากลับไปเราจะพยายไปสร้างตัวรู้ขึ้นในใจนี่ไม่ต้องมาแล้วทีนี้ไปที่อื่นเถอะ <c oughs> ขี้เกียจสอนแล้วก็ยางไง้ หวังว่าทุกคนคงได้สาระแกนสารนะมาครั้งนี้ก็ตั้งใจอย่างเดียวล่ะให้ทุกคนสัมผัสสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดให้ได้ซะก่อนเข้าใจมันให้ชัดในเรื่องภาวนาหลวงพ่อมาหาต้นใช้ชีวิตของท่านเพื่อท่านเททำเรื่องเดียวสอนให้คนรู้จักเรื่องนี้หลังจากท่านได้ศึกษาเรื่องนี้จนเข้าใจจากหลวงพ่อเทียนมา ตลอดชีวิตของหลวงพอ่อออกไปยันต่างประเทศไปยันทุกที่ปีทั้งปีท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างเพื่อเรื่องเดียวเพื่อสอนให้คนรู้จักสิ่งนี้ความรู้สึกตัวสอนให้คนรู้จักอาการรู้สึกแล้วออกจากความคิดออกจากความทุกข์ออกจากสิ่งทั้งหลาย เ, เพศหลวงพ่อดันใช้ชีวิตเพื่อตึ้นเทกับเรื่องนี้พวกเราทั้งหลายที่มาสิ่งที่อยากให้ได้ที่สุดสิ่งให้ทุกคนได้รับรู้สัมผัส ม, สมากที่สุดคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกๆลูก เคยสัมผัสแล้วก็ส่งต่อมาถึงพวกเราทุกคนแต่ก้อนีจะมาก็เห็นว่าหลายๆคนเกือบเกือบมั้งทุกคนเอาแค่เกือบพอ <c oughs> น่าจะเข้าใจได้เยอะขึ้นปัญหาของการภาวนาความไม่เข้าใจความเยะแยะไม่ออกข้อนี้น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นส่วนที่กลับก็กลับไปส่วนที่เหลือก็ภาวนาต่อแค่นี้เนาะ